<c oughs> รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายมันเรา <c oughs> มีเวลาจากนี้ไปกันถึงเท่าไหร่ส0่โ <40. S 1> <40. S 2> มงงสิบโ <40. S 2> มครึ่งชั่วโมงหนึ่งส <c oughs> อี่ชั่วโมงสิบนาทีจากนี้ไปอีกชั่วโมงสิบนาทีอ บอกสิวัทีนี้เราตอบปัญหาแล้วยังเหลืออี ก, <ต>อกเกยอะเท่าไหร่เหลืออยู่ประมาณสัก6เคำถามครับถามได้เลยจะข อ, อการทำงาต่อคนะรับากเรียน <c oughs> ีคนข อ, อเอนแล้วไม่ยชคืเราจกจขอคุณาก็แจกกันใช้ไป <c oughs> ทำได้ไหมแต่เขามายืมเนี่ยมันต้องใช้คืนนะดูที่เหตุปัจจัยเป็นยังไงอะยืมเขามีให้เราเปล่าเขาไม่มีเราไม่รู้จะบอาอะไรหรือเขามีแล้วเขาไม่ยอมให้หรือเขาปิ้นป้อนปลิ้นปล้อน อไม่อยู่ในร่องในรอ ย, รอยไม่อยู่ในคําพูดคําบอกออเราแก้ไขไปมีเวลาก็ทวงถามไปวันนั้นเรามีความจําเป็นต้องใช้เงินนะเอาให้เรานะวันนี้เรามีความจําเป็นต้องใช้เงินนะเราอาศัยว่าเรามีความจําเป็นบ้างก็แล้วกันเราหวังเงินนี้หวังอาศัยเงินนี้ แล้วแต่เราจะมีวิธีที่จะเอาคืนแต่ถ้าเขามีคิดว่าไม่ยากแต่ถ้าคนมีแล้วไม่ยอมให้เอาเงินนอนไว้เฉยๆอันนี้ก็พบไม่ได้เหมือนกันวเวลาเขาเดือดร้อนเ ข, เ, เขายืมเราให้เขายืมไปแล้วเขาสบายเขาไม่คิดถึงเราของยืมมันต้องใช้คืนไม่ใช้คื น, นก็เป็นหนี้ ตวันแล้วก็ไม่ได้วันเล่าก็ไม่ได้นะแต่มันน่าสงสารพระนะพระเนี่ยเขาวารณาบวารณาไปทวงก็ไม่ได้นะตามหลักวินนะัยน่ะเขาวารณานี่ไปทวงก็ไม่ได้นะสมมติอย่างบ้านวัยวัชกรอยู่ตรงนี้ไปยืนหนึ่งครั้งไม่ได้กลับนาเหี่ยวกลับบ้า ไปยืนครั้งที่สองไม่ได้ยืนครั้งที่สายืนครั้งที่สไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องร้องอะไรเขาได้นี่พระไหนน่าสงสารไหมน่างสารมากกว่าเรานะพะพุทธเจ้าท่านท่านไม่บังคับให้ไม่บังคับแล้วก็ทําใจก็ปล่อยก็เอาไปอ๋อเคยเป็นหนี้กันเนาะเอาไปเลยถ้าเป็นจํานวนมากหนึ่งขอมาสักครึ่งหนึ่ง ยังไงยังไงจำนวนทั้งหมดนี้เรามีคอามจำเป็นอย่างน้อยเราต้องได้ใช้ตอนนี้สักครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งขอให้เป็นตอนนั้นตอนนั้น <c oughs> เราแค่วาทะดู <c oughs> เราจะทำไงเราจะเสกทาพระวดไปไปแล้วไปบอกแล้วได้เลยนี่เราก็าทำไม่ได้ <c oughs> เราก็ทำไม่เป็น <c oughs> เ, เรื่องอย่างนี้มันมีประจำ แต่เพื่อนเดียวกันน่ยลงทุนด้วยกันพอถึงคราวเขาได้ดีเขาปัดเราออกเลยเขามีถ้าเราอยู่ในท่าทีที่ว่าเราเสียเสียสิทธิ์คนเราต้องระวังการยื ม, ยมเขาจึงให้มีลายลักษณอักษรบอกยืมแล้วก็ต้องมีเจ้าหน้าที่เป็นพยานอย่งน้อยผู้ใหญ่กำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่ที่เป็นพยาน ด้วยความไม่แน่ใจนี่แหละกองทุกบนโลกใบนี้ความไม่ตรงไปความไม่ตรงมาเราเป็นกฎหมายเองไทยกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นฉบับเกิดขึ้นมาเพราะปรายพยายามปรายนี่แหละคนเราทําไม่มีศินไม่มีทําอะไรทนะําไม่ต่างอะไรกับจับปูเสกดงไปเขียงกฎหมายเพเนอร์เทอรทึกกี่คลังมาไว้ของกองกอ ง, องเป็นกี่คลังกฎหมายเหล่านั้นทําอะไรไม่ได้ ถ้ามนุษย์เนี่ยมันมันไม่ถ้ามาอยู่ในร่องในรอยไม่อยู่ในสินในธรรมมันไม่ต่างอะไรกับจกักปูใส่กระดองก็ดองมันมันขอบมันเตีย้ยเต้ยมันออกซ้ายออกขวาออกหน้าออกหลังนออกได้หมดจับปูใส่กระดองมนุษย์มันถลายลื่นออกไปได้ฉนภัทสระเพคนที่พอจะอุ่นใจได้เบาใจได้สบายใจได้คนมีสินมีธรรมคนไม่มีสินไม่มีธรรมต้องระวังเมื่อระวังก็เสียฟรี เสียฟรีก็ไม่ต้องไปทุกข์ใจอะไรมากรับเรามีอยู่มีกินมีใช้มีสอยเราก็อยู่ไป เ, เคยเป็นหนี้เขา เ, ขาเอาไปแถม่ตายเขาอย่าไปอาฆาตพยาบาทเขาอย่าไปแช่งเขาไนปะ <laughs> สร้างกรรมเพิ่มอ้อา้าวครับราเรยนถามโอ้ว่า เวันเเดือนปีรรูเาอย่างไรสอถ้ามีสติตลอดเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปียากสามารถจะราได้ี่อย่างใหสามารถสามารถลบรอยวิบากกรรมที่เป็นสัญญาอารมณ์ที่เป็นผลผลงานกรรมเก่าๆของเราลบล้างออกได้ เพราะฉะอารมณ์ใหม่อารมณ์ในขณะปัจจุบันเนี่ยท่านจึงให้ทําซ้ําๆๆๆ้จนสามารถลบสิ่งเหล่นั้นออกได้ที่เคยมืดทุบพยายามปลุกสติปลุกสัมผัจัญญร์ยัราตื่นรู้ทุกระยะทุกเวลาเนี่ยโดยเหตุที่เราไม่ตื่นรู้ทุกระยะทุกเวลาความหลงมันครอบงาำพอมันหลงความหลงมันครอบงำแล้วสัญญาเราประกอบก็โผล่ขึ้นมามาใช้งานอีกสัญญาเราประกอบก็โผล่ขึ้นมามาใช้งานอีก เพราฝังมันไว้มานรู้กี่กับกี่การกี่ปริชาติใ น, ในใจิตในจิริจิตใจนิสัยสันดานของเราทุกคนมันฝังอยู่ในนั้นแหละบางครั้งมันก็ดันออกมาอยยูยงก็ดันออกมาบางยูยงก็ดันออกมาของเก่าท่านจึงให้ทํากรรมใหม่ให้มันอยู่ตัวจนมาสมัครละวิบากกรรมเก่าในหัวใจของเราได้เวัน7เดือนเจปีก็ต้องทําอย่างต่อเนื่องท่านพูดถึงคนที่มีคุณสมบัติ บางคนมีความสามารถเจ็ดวันบางคนมีความสามารถเจ็ดเดือนบางคนมีความสามารถเจ็ดปีเขาจะต้องได้ถ้าหมดอุ ป, ปธิเขาจะต้องได้เป็นพระอรหันต์ไม่ว่าจะเป็นเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอีกประเภทหนึ่งถ้ายังมียังมีอุปธิอยู่อย่างน้อยเขาต้องได้พระอนาคามีเมื่อถึงขั้นนั้นอย่างน้อยต้องได้พระสกิทาคามี ไม่ถึงขั้นนั้นอย่างน้อยต้องได้พระโสดาบันนี่็ดวันเ็ดเดือนเจ็ปีความสามารถมันจะไม่เท่ากันแต่จะต้องทําอย่างต่อเนื่องพื้ไม่ให้มันเกิดช่องว่างไม่ว่าพยายามขัดสีให้ไฟให้ตปะปาทำในหัวใจของเร า, าติดกันเป็นพื้นไปเลยจนสามารถแผดเผากิเลสตัณหาอาสวันหัวใจของเราให้เหือดไปแห้งไปจากคันทัสันดา เมื่อย่างุณที่เจ้าท่านขบท่านเขี่ยวในปัฏิมยามยามสุดท้ายค่ำราตรีในวันเพลนเดือน6นั่นนะขบเที่ยวไปขบเที่ยวมาการหมุนของจิตมันก็เข้าหลักของอริยสัจทั้งสี่ทุกสมุทัยนี่รอดมากในสมุทพยามาแก้สมุทัยในหัวใจของเราแก่ความอยากนั่นแหละความอยากมันฟ้าดินไปมันมีพลังตราบใดที่มันยังมีพลังอยู่มันก็เอาพลังของมันเนี่ยขับเคลื่อนตัวไปทุริยะทุกเวลาแต่ถ้าเรามี ตัวที่เป็นเวรเป็นยามเป็นเจ้าหน้าที่เด็ดขาดไม่ให้สิ่เหานี้มันโผล่ขึ้นมาในเมื่อมันไม่โผล่ขึ้นมาหนักๆเข้ามันหมดโอกาสมันไม่มีริ์มีเดชที่จะแสดงออกมาได้นะในท่สุดมันก็หมดอํานาจมันก็หมดพลังมันก็หายหน้าไปเลยหายหน้าไปเลยถึงขั้นว่าอกุปปธรรมมันไม่กําเริบแล้วมันก็ไม่ต้องโผล่ขึ้นมาอีกแล้วนี่ท่านพูดถึงอนิสงสในมาสิธิปรฐานนะ เวันเจ็เดือนเจ็ปีเนี่ยที่อื่นไม่มีท่านไม่มีพูดเอาไว้เจ็ดเดือนเจ็วันเจ็วันเจ็ดเดือนเจปีไม่ต่างอะไรกับเราวิ่งไปหาหลับใจคนหนึ่งคลานไปคนหนึ่งเดินธรรมดาไปแสดงว่าเดินจะต้องเร็วกว่าคลานคนหนึ่งวิ่งเหยาะเยะเหมือนเหมือนเขาวิ่งไงมาย่องไงเนี่ยไปหาหลักชัย อีกคนหนึ่งวิ่งห้อเอาเลยทั้ง3ามสรายนี้ใครจะถึงก่อนใครจะถึงก่อนสมมุติหลักใช้อยู่เท่ากันนี่เป็นคําสมมุติเพราะฉะนั้นใครรีบเร่งกว่าตั้งอกตั้งใจกว่าทําสติทําปัญญาสมาธิในใจของเราให้ทีละเอียดยิบมากกว่าคนนั้นก็มีโอกาสที่จะตัดกระแสที่ชั่วร้ายใน ใ, นใจของเราได้เร็วกว่าจุดนิสัยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นท่านจึงเปรียบ ปกติตันยญญูวิปจิตตัญญนยูเนยยะปะทะป ร, ะประมะขอเราอย่าให้เป็นปะทะประมะเาแล้วกันอย่างน้อยๆก็ค่อยๆเดินไปค่อยๆ ค, คลานไปมันก็ยังใกล้เข้าไปเรื่อยใกล้เข้าไปเรื่อยใกล้เข้าไปเรื่อยคนที่เขาเดินไปนก็ยังใกล้เข้าไปเรื่อยใกล้คนจะวิ่งไปก็ใกล้เข้าไปเรื่อยคนวิ่งสุดขีดหมดแรงเขาจะไปใกล้ได้เร็วกว่าแล้วเขาพูดอุปมาเปรียบเทียบเข้าไปเพื่อจะมาเร่งมั่เพ็น ในการทำมัดของเราเให้เต็มตื่นได้อย่างรวดเร็วครับอย่ากัราว่าอาการเกิอนอะไในทางโรคและจะออกตวจในทางโรและจะออกตรวจจะมีอาการอันางไรครับเวืานาย เบื่อหน่าก็คือเบือ่อเบื่อโลกนั่นแหละโลกมันหุ่นวายโลกมันวุ่นวายอยากหนีความวุ่นวายหนีไปหาความสงบเนี่ยอย่าลืมว่าใจของเราสงบนี่ใจของเราออกจากกามนะความเป็นอยู่ของโลกนี่ชุ่มแปรประเด้วยอนนานาจของกามความเป็นอยู่ของโลกนี่ชุ่มแปร่ะเด้วอนนํานาจของกาม จิตนึกในเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเรื่องตันหาราคาเรื่องธรรมหากินเรื่องอะไรแต่ไรสารพัดนี่ริดเด็ดของโลกมันวุ่นวายเพราะฉะนั้นในครอบครัวที่เราอยู่ครอบครัวแต่ละครอบครัวแต่ละครอบครัวถ้าเรายังครองเรือนอยู่กันเป็นครอบครัวอยู่อย่างนั้นเหมือนกับพวกเราอยู่ใกล้ฝุ่นทุลีละอองเดี๋ยวก็ปลิวเข้าตาเดี๋ยวก็ปลิวเข้าปลิวเข้าหูเดี๋ยวก็ปลิวเข้าจมูกอย่างนั้นแหละ อยู่ใกล้ฝุนผุลีละอองเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกจากเรือนอการออกจากเรือนเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งทำให้สลดใจสังเวชใจเห็นความจำเป็นถึนงบรรยาที่เล่าเร่งประวัติหลวงปู่จันทาหลวงปู่ขาวัห้ฟังนั่ น, น, นถึงทีดถึงขั้นที่เบือหนายเต็มที่แล้วนะ่ะหนีไปคนไ ม, ไม่ไม่ย้อนคืนละทิ้งไ้ตัดทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปเลย เพราะเบื่อหน่าคลายางเห็นโทษของกามเราก็ตั้งใจเข้ามาหาความสงบแต่เรื่องการทำใจให้ได้รับความสงบนั้นเราจะอยู่บ้านด้วยเหตุที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจเราก็สามารถทำให้สงบได้เราไม่อยู่บ้านเราออกมาอยู่เป็นวัดเป็นป่าเป็นสวนหรือเป็นอะไรก็ตามที่เป็นที่สงบสงัดเราก็สามารถทำใจให้ใหได้รับความสงบได้ ขออย่าให้มีปัญหาไปตามรบกวนเท่านั้นเองเราก็สามารถทําใจสงบได้ใจเราเริ่มสงบใจจะเริ่มออกจากกามนะใจสงบก็คือใจมันลืมรูปลืมเสียงลืมกลิ่นลืมรสลืมสัมผัสอยู่แต่กับอารมณ์ของธรรมใจที่สงบคือใจออกจากกามเนกขำมานิสังสารถาอานิสง์ของการออกจากกามพระยศ ได้ฟังเทศอนุพพิกถาพุทธเจ้สดทรงสแสดงทานกถาศีลกถากล่าวถึงทานกล่าวถึงสินกล่าวถึงสวรรค์สักากถาสักข า, ข า, ากถ า, ข า, าสักขาบเรว่าสวรรคากถ า, ากล่าวถึงสวรรค์ผลจากการให้ทานอย่างยิ่งยวดผลจากการรักษาศินอย่างยิ่งยวดได้ไปเกิดบนสวรรค์บนสวรรค์น่ะเป็นแดนเสพกามเต็มแปรมีความสุขอยู่บนนั้น คำว่าการในที่นี้หมายความว่าเขาพรั่งพร้อมไปด้วยความสุขกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสที่เป็นทิพย์ทิพิพย์ทอันนกทิพย์อันนกทิพย์ไม่ใช่ของจะต้องเปื่อยจะต้องเนา่าจะต้องอะไรตัวอะไรเนี่ยบนนั้นนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าท่านกลัวเตวอดาทั้งหลายนะลืมเนื้อลืมตัวประทรงแสดงอาทีนวัคขาโทษของกาม ให้เราเบื่อหน่ายคลายจากในความสุขในความเป็นทิพย์เหล่านั้นแล้สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ยั่งยืนวันคืนลงไปก็จะหมดไป<ม>ก็จะหมดไปหมดก็หมดเวยทรงแสดงโทษของกามสละทรงแสดงอ น, นิสงค์ของการออกจากกามเนคขำมานิสังขารฐาพูดถึงการออกบวชก็เข้าไปอยู่ในที่สงบนั่นเองอเข้าไปแล้วไปตั้งใจภาวนาให้ใจได้รับความสงบอย่าลืมไว้ใจเริ่มสงบหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหรือสงบ ในความเป็นอยู่ภาวะความเป็นอยู่เวลาเข้าให้สงบจิตก็เลยรับความสงบสิ่งเหล่านั้นมันไม่มา ก, ก่อกวนหัวใจของเราใจก็จะเริ่มสงบใจสงบทีไรเมื่อไหร่นั่นคือใจออกจากกามนะใจออกจากกามมีผลที่เราจะพิจารณาอัรทำให้เห็นเป็นเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นกฎเป็นเกณฑ์เข้าถึงหลักสัจธรรมที่แท้จริงได้นระปิยเจ้าท่านทรงเปรียบเทียบ ตรงเปรียบเทียบบรุษมีกายยังไม่ออกจากกามมีใจยังไม่ออกจากกามกายยังไม่ออกจากกามคือกายอยู่บ้านคลุกคลีกับครอบครัวเรียก ว, ว่ากายยังไม่ออกจากกามมีใจยังไม่ออกจากกามมกุ้นแต่ก็เรื่องของกามเนี่ยเปรียบเสมือนไม้สดด้วยชุ่มด้วยยางด้วยแล้วก็บริโภคกามเนืองหมายความไม้สดด้วยชุ่มด้วยยางด้วย และยังถูกแช่อยู่ในน้ําอีกบุรุษต้องการไฟเอาไม้นี่ไปสีเกิดเป็นไฟรองทรงตรัสว่าเหนื่อยปราาเหนื่อยเปล่าแต่คําว่าเหนื่อยเปล่าไม่ได้ไหมายความว่าจะไม่มีผลจะไม่มีอริสองแต่มันเป็นเหตุว่าจะทําให้ลุกเป็นเปลวไฟขึ้นมาในตอนนั้นได้เลยมันลุกไม่ได้เพราะไฟมันสดด้วยชุ่มด้วยยางด้วยเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆจะต้องออกจากกาม บุตรเอากายออกจากกามมาแล้วเช่อนอย่างเอาร่างกายมาบวชอยู่ในวัดเนี้ยกายมันออกจากกามมาแล้วแต่ใจคิดถึงแต่เรื่องกามมันสาคัญที่ใจจะทำอะไรได้ภาวนาก็ไม่สงบอะไรก็ไม่สงบแต่ตรงการข้ามถ้าหากเราไม่ได้เอากายออกจากกามเราอยู่บ้านนั่นแหละแต่เราพยายามทาใจให้ได้รับความสงบพอใจเริ่มสงบมันจะเริ่มเห็นผลเห็นอนิสงพอเริ่มเห็นผลเห็นอนิสง การที่จะตั้งใจ ป, ปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมที่ละเอียดก็สามารถทําได้เพราะฉะนั้นกราวาธที่ตั้งใจปฏิบัติเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันมีอยู่เหมือนอย่างวิสาขาเศรษฐีสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระชนยอยู่นะไปฟังเทศพุทธเจ้าทุวันทุกวันทุวั น, วนแล้วก็ตั้งใจภาวนาไปามีอยู่วันหนึ่งจิตเข้าถึงความเป็นพระอนาคามี วิสาขะเสียทีนะจิตเข้าถึงเพราะความเป็นพระอนาคามีความคืนคลายของจิตระดับนี้เนี่ยมันจะคืนคลายหมดแหะความชอบใจความพอใจความลุ่มหลงกับกิริยาอาการของกรรมคุณทั้งหลายทั้งปวงมันจะเบื่อหน่ายคลายจากสลัดคืนไม่ห่วงไม่อะไรลอยละวางละได้หมดไม่มีอะไรเป็นเยื่อใยเลยแหละพอกลับบ้านไปก็ไปบอกภริยานางธรรมทินาสมบัติพระสถานอนุ เธอต้องการเราไปอันนี้เธอต้องการก็เอาไปต่อไปนี้เราเคยเกี่ยวข้องกันเราเลิกยุ่งกันเลอะเลอะเลิกเกีเ่ยวข้องกันกนางธรรมทินาเข้าใจภาษามีเนี่ยท่านเสียทีเนี่เข้าถึงธรรมที่ละเอียดทิ้งทิ้งความเยืดใหญ่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วคิดว่าท่านเสียทีท่านจิตของท่านได้เข้าถึงธรรมที่ละเอียดถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้ถึงบอกคืนคลายเกี่ยวกับเรื่องกรรมคุณทั้งหลายทั้งปวงหมดเข้าถึงขั้นอนาคขามี นะเนี่ยที่ว่าจะให้นางเอาสมบัตินุท์สมบัตนินี้นางไม่เอานางขอบวชก่อนนตอนนั้นมีพิกษุนีแล้วท่านเสด็จีก็อนุญาตให้ภรรยาไปบวชก่อนไปบวชไม่นานได้เป็นพระอาหารหันต์ก่อนนะมมันนี่มีเสียเปรียบได้เปรียบกันนีมเนี่ ย, ยขึ้นอยู่กับการตั้งอกตั้งใจปฏิบัติแม้แต่เราออกจากบ้านมาแล้วเรามาอยู่วัดอยู่ป่าอยู่เขาเป็นที่สงบเงียบ แต่ถ้าใจเรายังคิดถึงแต่เรื่องการก็ใจคิดถึงเรื่องการมันก็ผูกพันแต่เรื่องการคิดนึกคิดนึกคิดนึกนึกอยู่นัน้คิดอยู่นั้นปรุงอยู่นั้นะปรุงซะหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมันก็ย้อนกลับคืนพิเศษหน่อยเดี๋ยวมันย้อนกลับคืนนอกจากเราออกมาแล้วมันอนํานวยใจของเราให้ได้รับความส ง, สงบสงัดได้ง่ายเข้าถึงความสงบได้ง่ายจิตเป็นสมาธิ e. ได้ง่ายจิตก็จะเริ่มทิ้งกามได้ เพรจิตทิ้งกามได้ก็เหมือนกับว่าเป็นไม้แห้งอยู่บนบกไม่ได้แช่อยู่ในน้ําบุรุษต้องการเอาไปสีเกิดเป็นไฟสามารถจะเป็นไฟได้แต่ต้องอาศัยเรี่ยวแรงแหนถึงจะเป็นไม้แห้งก็ตาม ต, ต้องอาศัยเรี่ยวแรงวิจิตเราได้รับความสงบแล้วก็ตามมีเวลา ม, มีเวลาเพียงพอแล้วก็ตามแต่เราไม่ขยันทำเนือือไม่ข ย, ยันขัดสีเหมือนกับสีไม้เกิดเป็นไฟ สีไม้เกิดเป็นไฟก็ถูวางไม้อยู่ในท่าทีที่ว่าจะทําให้ไฟเกิดขึ้นมาได้แล้วถูไปแล้ถูถูแรงเสียดสีทําให้เกิดความร้อนทําให้เกิดเป็นไฟถูไปถูไปถูไปถูไปเหนื่อยก็หยุดพอเราหยุดนะความร้อนก็เย็นลงอีกแล้วคิดได้กับถูนี่ถูถูถูถูถูก็หยุดความร้อนที่สะสมลงเย็นลงไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นการทําความเพียรท่านจึงให้ทําสม่ําเสมอให้ทําหนักหน้าเข้ไปเรื่อย ภาวิตาภาลีกตาภาวิตโตภาลี ก, กโตทำมากมากกระวนวมากมันก็เราถูทําไงไฟของเรามันจะไม่ดับใช้มันเพิ่มขึ้นเรืยเพิ่มขึ้นด้วยเพิ่มขึ้นเรืยเพิ่มขึ้นเรืยจนลักษณะความเป็นไฟปรากฏมีควันปรากฏ ม, มีเขาเหมาดําๆปรากฏพอถึงตอนนั้นเราสมมตรหยุดแม้แต่แม้แต่ไอ้ฐานแดงๆปรากฏมาแล้วก็ตามสมมตรหยุดบ้างความเย็นมันก็เข้ามาแทนที่อยู่แล้ว คิดได้อีกทํามาอีกอยู่แค่นี้แหละเพระฉะ้นถึงตอนนั้นเนี่ยท่านเอาเป็นออกตายเขาเลยต้องติดต้องติดต้องติดไม่ติดไม่หยุดไม่หยุดไม่ต้องตีเอาจนติดเพิบ่บลุกเป็นเปลวไฟได้ไฟใช้ตะปะธรรมของผู้ที่ตั้งใจบําเพ็ญตะปะธรรมเพื่อการได้อะไรทาเข้าสูงหัวใจต้องใช้ความพาดความเพียรตามอุประมาณนี้ผู้ทีเจ้าท่านทรงตรัสไว้ สมัยพระุทธเจ้าแสดงทำให้กับยัสสากลบุตรแสดงอนุปปิกถาหธานกถาศีลกถาสักขะคถ า, าอาทีนวกถาโทษของสวรรค์สวรรค์6กชั้นน่ะเขาสเสวยการบริโภคการเต็มแปร่อยู่บนนั้นนะความสุขของเราในเท่าเสี้ยวหนึ่งในส่วนสี่หของเขาไม่ได้ความสุขในมนุษย์โลกเนี่ยถ้ามีความสุขมากอยู่บนสวรรค์นะ่ะอนุกัตถิปอนิคัตถิปมีความสุขมากพรพระพุทธเจ้าไม่สอนคนนี้จะติด ติดเกี่ยวกับเรื่องของการมพราะยังต้งสอนอีกโทษสองโทษของกามโทษของการมเราไม่ดูเรารู้ไม่ยากหรอกเดูการครองเรือนของผู้ครองเรือนสามีภรรยาดูเถิดมีโทษของกรรมที่แรกก็โอ้ยนิ่มนตนวลอ้อยอิงห อ, อมหวนชวนหวานเยิ้มอะไรไปหมดสักหนึ่งก็เบื่อหน่ายคลายจางเบื่อหน่ายคลายจางจากกันพึงพอใจแต่มันไม่พอใจอ มันไม่พอใจคนนี้มันไปพอใจคนนั้นมันก็เปลี่ยนไปเลยมันซ้ำส า, ม, สา ม, มันไม่พอใจคนนั้นมันไปพอใจคนนู้นมันไห้เหมือนเบือนนายคลายจารในรูปประธรรมในานามธรรมของเราของท่า น, ข อ, านของใครต่อใครทั้งหมดที่บุรุษยศสอนนะเบือนอ น, นายคลายจารคนละอย่างพราท่านจึงสรรเสริญบุคคลที่ออกจากกามผู้ออกจากกรรมก็คือผู้ตั้ ง, งใจทําให้ใจได้รับความสงบ ออกจากกา ร, รมมาแล้วการออกจากกา ร, รมมาแล้วใจยังคิดถึงแต่เรื่องกา ร, รมมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนอยู่บ้านฮะเขาอยู่บ้านเวลาเราตั้งใจภาวนาเรั้งนั่งคละมุมห้องเราก็ภาวนาครับไปสิอา่าไม่รบกวนกันทั้งคนทั้งภาวนาให้ใจได้รับความสงบไปเอาความสงบเป็นเกณฑ์ไม่กวนกันหรือคนหนึ่งอยู่บ้านคนหนึ่งอยู่บ้านคนอยู่บ้านก็ตั้งใจทำความสงบคนมาวัดก็ตั้งใจทำความสงบนี่เรายัางครองเรียนอยู่ เราสามารถทาใจออกจากกามได้พอใจออกจากกามแล้วมันเห็นโทษมันจะเดินไปข้อมันเองเหมือนท่านวิสาขาเทวทีเนี่ยท่านได้เป็นพระอนาคามีถึงบอกไม่บอกยังไงท่านก็จะต้องออกบวชอย่างแน่นอนนี่จะต้องออกบวชอย่างแน่นอนมาคันธยะปราบ ม, มาคันธยะปราบ ม, <c oughs> มีลูกสาวงามมากใครไปขอก็ไม่ให้ใครไปขอก็ไม่ให้ใ อ, ใหอ่าเพราะ พ่อกับแม่ไม่ชอบไม่ชอบลูกไม่สวยสมควรคู่ควรกับลูกสาวของตัวเองไม่ให้โอยดูแลรักษาลูกสาวงามอยู่อย่างนั้นแล้วมาคันธียพรามเนี่ยลูกสาวมาคันธียาอืที่อยู่มาอยู่มามาคันธียาพรามคนนี้เห็นพระพุทธเจ้าเดินมาโหส ม, มณะองค์นี้งามเหลือเกินถ้าได้เป็นลูกเขยเรานี่ เจอแล้วเจอคนที่สมควรเหมาะสมที่จะเป็นลูกเคยเราเคยเล่าแล้วโอยวิ่งไปนู่นนะวิ่งไปบ้านไปบอกลูกสาวไปบอกภริยาแล้วไปไปพาลูกสาวมาว่าจะไปเอาลูกสาวมาให้ว่างั้นนะท่านคอยอยู่ตรงนี้นะเรามีลูกสาวงามมากเราจะไปเอาลูกสาวมามามอบให้มาทำมาให้มาให้โอยไปกุลีกุจอไปให้ลูกสาวเนี่ยมามากราบพระเจ้า มากราพระรูปเจ้าจะเอามามอบให้พระรูปเจ้าเอามาให้เพราะอยากได้พระรูปเจ้าเป็นลูกเขยเหาือนนเถอะอยาให้ลูกสาวของตัวเองมีฝังมีฝาสักทีพอมาพระรูปเจ้าท่ก็พิจารณาเห็นแล้วว่าอผู้หญิงคนนี้แข็นเทศเอาไม่ไ ด, ด้แต่ว่าถ้าเราเทศธรรมบทนี้ไปแล้วเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่จะได้เป็นพระอนาคามีใจมันจะเบื่อหน่ายคลายจางจาก กามคุณทั้งหลายทั้งปัวเขาถึงความเป็นพระอนาคามีพระองค์ก็แสดงเอาทั้งพอ่อทั้งแม่เนะ่ยเรื่องกามนั้นเราปฏิเสธตั้งแต่อยู่ที่โคนต้นโพโพธิบัลลังก์ปฏิเสธนางตันหากามตันหาตันหาราคานางตันหานางราคานางอารดีพระองค์ปฏิเสธแล้วที่ทีโคนต้นโพ ปฏิเสธเด็ดขาดไม่มีเยื่อใ่อะไรที่จะมาต่อติดอีกแล้วแต่บางแห่งท้าก็พูดเพราะว่าท่านพูดหนักนกันนะเราไม่พึงปล่อยใจเรารังเกียจแม้แต่เอาตีนเราไปสัมผัสเราก็ไม่กล้าไปสัมผัสไอ้หนังนั้นหนังไอ้นั้หนหนั้นยืนฟังก็โอ้รับได้ได้โกรธเครียดผูกอาฆาตพยาบาททั้งพอ่อทั้งแม่ในที่สุดบางกั น, ะนกทิยพรากำนานพรามณี ในท่สุดก็เอาลูกสาวไปไปฝากไว้กับกับลุงไปฝากไว้กับลุ ง, ก, ก, ลงกับน้องชายของพ่อไปฝากไว้กับลุงน้องชายของพ่อทั้งสามีทั้งปรราเขาไปบวชตั้งจะบําเพ็ญไม่นานก็ได้เป็นพระอรหรันต์นี่ถ้าเห็นคุณเห็นโทษอยากเต็มที่แล้วมันก็ออกได้ถ้ายังไม่เห็นคุณไม่เห็นโทษดูดิไอ้ใจงามกับรูปงามมันคน ล, ละเรื่องกันนะมันไม่ใช่เดียวกันนะ คนที่มีรูปงามด้วยมีใจงามด้วยนี่ยมีมีน้อยแต่คนส่วนมากเนี่ยใจงามบางทีรูปไม่จาเป็นต้องงามบางทีรูปงามแต่บางทีไม่จาเป็นต้องใจงามบางทีรูปพ็งามใจก็งามแล้วก็บางคนรูปก็ไม่งามใจก็ไม่งามมันเป็นได้สารพัดโอ้ดูมันจะพูดยาไว้เอา แอลแต่ของของกลุ่มนครับ่ทที่ใดของโรทเียนาม่นะโอ้ลง่อจำได้กว่าน้อลองไลฟฟังดูทีอะไรบ้างสติสสาสาโอมันเยอะเกินเยอะเกินเครื่องไมเครื่องมือเยอะเกินแบ่งแต่เครื่องมือเครื่องไมเครื่องมือก็ไม่ไหวล ก็สรุปลงมาที่มหายิปฐานนั่นแหละแต่ทำทุกบททุกบาทเนี่ยมันตะลอ่อมเวลามันเป็นแล้วมันตะล่อมน้องไปใส่อะไรก็ใช่น้องไปใส่อะไรก็ใช่ อ, ใ อ, ใชอิทธิบาท4ก็ใช่ถ้าเราเจริญมหายิปฐานจนถึงขีดถึงขั้นสั ม, มปทานสี่สังข า, า, ารประธานมหาประธานภาวนาประธานอนุรักษนาประธานก็เหมือนที่เราพูดด้วามเมื่อคืนนั่นแหละเป็นกิริยาของความภาคความเพียรสรุปลง หัวนนำหรืองานหลักก็คืองานมหาสติประทานอยมักนุ่งแปดด้วยใช่ไหมอะไรอีกโพชชงเจ็ดพระหาา้าอินสี่ห้ามันคือเป็นมันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเมื่อเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดนี้สมาร์เอามาใช้งานได้เรียงไว้เป็นแถวแ ถ, ว แ, ถ, ว แ, ถวแล้วแต่เราจะหยิบอะไรมาใช้เกิดประโยชน์แต่ท่านก็เอามาเรียงไว้ธรรมะทั้งหมดนี้เวลามันเกิดขึ้นแล้วมันอยู่มันอยู่ด้วยกันหมด แต่วิธีที่ท่านที่เราศึกษาเราจะมาตั้งใจปฏิบัติตาม น, นี้ปฏิบัติตามนี้แล้วเหลื อ, อ น, นี้ปฏิบัติตามนี้เหลือนี้ปฏิบัติตามหลักมหาสิปฐานอย่างเดียวเวลาธรรมะมันเป็นไปอย่างอื่นอันนู้ก็เปลียนอันนี้ก็เป็นทําไม่มีอุทิศาสีไม่มีความพอใจจะเอาอะไรมาปฏิบัติอย่างนี้ความพอใจความภาคความเพียรการกำหนดจดจอ่อการใช้สติใช้ปัญญาที่จะพิจารณาอะไรก็ไม่มี เพราะฉะนั้นมันต้องถึงพร้อมหมดนะ่ยว่าที่ว่าเราประคับความเพียรแล้วมันถึงพร้อมกันหมดสมัชพระประธานสี่อันนี้ก็เป็นมันก็เป็ น, นมันเป็นงานในหน้า ง, งานตรงๆเลยแหลนะสมัชพระประธานสี่แต่ตัวงานจริงๆก็ตัวมหาสิปฐานนะนะั่นแหละตัวสติปฐานนี่เราก็ยังจะต้องเลือกเอาอีกจะเอากายหรือจะเอาเวทนาหรือจะเอาจิตหรือจะเอาธรรมราัหนักแน่นเกี่ยวกับบทใดให้เราเดินตามบทนั้น ไม่ใช่เราไปทําอันนี้1ชั่วโมงเราไปทําอันนี้1ชั่วโมงเราไปทําอันนี้1ชั่วโมงเราไปทำอันนี้หนึ่งชั่วโมงไม่ใช่ท่านให้เราเลือกกามจริตนิสัยของเราเราชอบจับจิตเราก็จับไปสิไม่ผิดเพราะงานทั้งหมดน่ยจิตเป็นเป็นเป็นคนทําเราจะจับเวทนาเราจะจับเวญธนาตามดูเวญธนาดูความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของเวญธนาแต่จิตเป็นคนทํำสติปัญญามันประหยัดจิตเราจะพิจารณากายก็จิตเป็นตัวทํำสติปัญญามประหยัดจิตเราจะพิจารณาธรรม คขามาทำในชนี้ในหลักมาชีพฐานาท่านพูดถึงนิวรนห้าโพธชงเจ็เนี่ยนิวห้าโพธชงเจดแล้วมันมีอะไรอีกหลายอย่างนะเรามีอริยสัจสี่มีทุกมีสมุทยัยมีนิโรธมีมากนี่นะในบทธรรมทำอนุปัสนาตามพิจารณาธรรมถ้ารับพิจารณาตามหลักตามหัวข้อธรรมเหล่านีนะ้มันเป็นส่วนเหตุ บางครั้งผลของธรรมที่ปรากฏขึ้นในขณะที่เราตั้งใจทําแสงสว่างปรากฏขึ้นความสงบปรากฏขึ้นความแปลกประหลาศสิจันในหัวใจของเราปรากฏขึ้นอะไรก็ตามใดๆก็ตามปรากฏขึ้นท่านให้เราตามรู้ตามดูตามเห็นไม่ให้เรายุดไม่ให้เรายุดเกิดความสว่างท่านให้รู้สว่างไม่ใช่เรารู้ไม่ใช่สัตว์ท่ว่ารู้ เกิดความสว่างเกิดความรู้เกิดยานแม่ตยานทัศนะเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านกาหนดรู้ไม่ใช่เรารู้เมือ่องั้นไอตัวตัณหาตัวนี้มันจะคอยจะมาตอนเข้าไปเป็นเป็นเครื่องหมายเครื่องมือของมานันทีเร็วให้พิจารณาธทมอะไรจะปรากฏขึ้นในหัวใจของเราทั้งให้พิจารณาอะไรจะปรากฏขึ้นมาทั้งให้พิจารณาถ้าเราไม่พิจารณามันเกาะหลังจากมันเกาะเสร็จแล้วมันก็ห ม, ม, มายหมายหมายมหมายตามใจชอบ มีทั้งกิงมีทั้งเทศมีทั้งเทศมีทั้งกิงปนเปลือยปนป น, นไปไปด้วยกัร น, นั่นแหละนี่คือท่านให้พิจารณาธรรมสรุปมาที่หลักของมาจิปทานั่นแหละโพธิปักคียธรรมคียะคียะคยะโพธิปักคียธรรม อ, องค์ธรรมที่ทําให้เราได้ตรัสรู้ธรรมได้มรุธรรมทําให้เบื่อหน่ายคลายใจทําให้อ า, วาสวะกิเลสสิ้นไปจากใจใหัวใจของเราโพธิปักคียธรรม ตามทีประการเนีย่ยทนี้เราไล่ไม่ครบดอกอะไรข้ามมัเยอะเกินไล่ไม่ครบดอกนะใครต้องการจะจําไปพิจารณาเพื่อความเพลินในการส่งไวซง้ซึ่งซึ่งซึ่งหลักหลักปฏิบัติก็ถูกได้เข้าใจได้แต่ถ้าจะต้อมาตั้งใจเจริญสี่ประถานอย่างเดียวก็เอาจะตามพิจารณากายก็ตามพิจารณาให้จริงจังเข้าไป พิจารณากายก็ตามพิจารณาลมเราแค่เรามากำหนกกดจบับจ่อพุโทโธพุธโทโธเหมือนอย่างที่หลวงปู่มั่นท่าทนทาธรรมนี่ยเมื่อก่อน่อสมัยพระพุทธเจา้าท่านท่านทำในวันเพื่อนเดือนหกนั้นท่านกําหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามดูลมลมยาวก็รู้ลมสั้นก็รู้ลมเข้าสั้นก็รู้สั้นก็รู้ลมเข้ายาวออกยาวก็รู้หยุดลมก็รู้รู้ไปทุกขณะ เท่าที่อาการนั้นจะเป็นไปเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวตั้งเป็นพื้นฐานมีสติกําหนดจดจอ่จ อ, จอตามรู้ทุกระยะทุกขณะของจิตเนี่ยตามดู ก, กายตามพิจารณากายเ่พอมาถึงยุคหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มัน่นท่านเอาพุโทโธด้วยพุโทโธด้วยเรากำหนดลมด้วยลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธเรารู้นิฉลาตไหมครูบาอาจารย์เราผู้ ด, ดําริพุโทโธคือใจ ลมคือกายมันได้ทั้งกายมันได้ทั้งใจลองทาใครลองทำลองดูโอ้มันมันจะมีความเบาสบายหลับเคลิ้มันอยู่ในเปลมีพ่อมีแม่มาไกวพุดโทหายใจเข้าหายใจออกลองทำดูพอเวลาเราต้องการที่จะมาเจริญเรา จ, จับพบมันกับ จิตใจมันดึงเข้าเข้าดึงเข้าได้เลยอันนี้มันถูกกับทุกเกือบทุกจริตทุกนิสัยนะอันนี้ทำไปทำไปทำไปมันเหลือแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกมันทิ้งพุทโธเพราะมันอินพุทโธก็ไม่เป็นไรหรือมันจะลืมลมมันอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธมิสตรกรรมจดจ อ, อยู่ก็ใช้ได้อันหนึ่งตกไปหรือนหนึ่งก็ใช้ได้อันนึงตกไปหรื อ, อนหนึ่งก็ใช้ได้ การเจริญสิ่งเลนี้ตามดูตามรู้ตามเห็นมันสาคัญว่าสิ่งที่เรารู้เป็นเครื่องรู้เป็นที่รู้เป็นที่รู้เป็นที่ระลึกของสติไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนที่ไหนมารู้มาเห็นไม่ใช่เรารู้ไม่ใช่เราเห็นการทีเร่เราทำแบบนี้มันเป็นการทำเพื่อขับย่อยสลายอัตตาตัวตน ไปในขณะเดียวกันให้เหลือแต่ตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาทํางานโดงเฉพาะหน้าพระสจักตัวประสิจกัจกตนเพื่อไม่ให้ความทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นในหัวใจของเราสามารนถนําทุกข์ทรมนัดออกจากหัวใจของเราได้ไปตั้งใจทําให้จริงจังครับก่อสร้างแผนการปฏิบัติเพื่อรู้สู่ารากฐนครับก็ทําแบบนี้แหละ ไปจนเบื่อหน่ายคลายางเห็นหลักธรรมชาติไม่มีความเป็นตัวเป็นตนทำลายความเป็นตัวเป็นตนได้จนละคลายจากการยึดมั่นถือมั่นว่ากายเป็นเราเราเป็นกายกายไม่ในเราเราไม่ในกายความสําคัญยึดมั่นถือมั่นเดี๋ยวนี้เรามีไหมเรามีเราทําไปจนจริงเหล่านี้มันเข้าใจแล้วมันจะปล่อยมันจะละมันจะวางไปเข้ามันอีกเนี่ยจิตเข้าถึงเข้าถึงหลักธรรมชาติอันหนึ่ง เมื่อก่อนนั้นเราสําคัญมั่นหมายว่าตายเป็นเราเราเป็นกายไอ้คําว่าเรานี่มันเป็นมายาอย่างหนึ่งที่ตันหามันก่อขึ้นมามันพาเรายึดมันพาเราถึงย้าดูไปให้ถึงขิดถึงขั้นของตันหาตรงนี้แล้วมันหักหากแต่ว่าเห็นแต่ว่าเป็นสภาวะธรรมมีความดว้อสายสุ ธ, ธาเห็นสัจจะอย่างจริงแท้แน่นอนเฉพาะหน้าของเราเข้าถึงหลักสักจธรรมเข้าถึงกระแสแห่งธรรมเข้าถึงกระแสแห่งมรร ที่จะเดินไปสู่เพื่อเพื่อผลเพื่อนิพพานไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ต่เข้าถึงกระแสว่างั้นเถอะเข้าถึงหลักเกณฑ์เข้าถึงสัจจที่แท้จริงเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ไม่คลอนแคลนมีศรัทธาก็มีศรัทธ า, าปักนึบลงไปไม่มีใครที่จะมาโยกมาคลอนเพราะเข้าไปรู้ไปเห็นสัจจะทำด้วยตัวของตัวเองสุดแล้วคือเห็นอ น, นิจจังทุกังหันตานั่นแหละ เห็นศักดิ์ทว่าเห็นไม่ใช่เราเห็นเห็นภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่โดยหลักธรรมชาติของมันไปกะเปลี่นให้เป็นอื่นก็เป็นไปไม่ได้จะเอาเป็นของเราก็เอาเป็นไม่ได้จะเป็นของใครก็เป็นไม่ได้เป็นหลักธรรมชาติอย่างหนึ่งเท่านั้นเองอสกัยไปว่าจิตก็ศักดิ์ทว่าจิตไปกายก็ศักดิ์ทว่ากายไปไม่สําคัญมั่นหมายยึดเอาว่าเป็นกายเราเป็นของของเรากายมีอยู่แต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราผู้รู้ผู้เห็นคือสติคือตัวคือปัญญา เป็นเรื่องไ ม, ม้ครื่องมือที่เราดูให้เกิดความรู้เกิดความเห็นก็ต้งองเกิดต้งใจทําไปนีแค่นี้เราก็เข้าถึงกระแสธรรมมีความเลื่อมใสศรัทธาไม่ถอดไม่ถอนไม่ถอยบางคนแค่เชื่อมั่นเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระสามพรสงฆ์ด้วยความฝากเป็นฝากตายอย่างแท้จริงแค่นี้ก็สามารถเดินไปได้จิตใจของเราไม่ดึงออกไม่คลอนแคลนแต่ถ้าหากไม่มีความเลื่อมใสศรัทธาหมดสะพานเชื่อมที่เราจะเดินไปได้อันนี้ก็ลําบากเอนกัน ดึงไปข้างหน้ามันก็ถอยหลังดึงไปมันก็ถอยหลังดึงไปมันก็ถอยหลังมันไม่เห็นทุกข์เห็นโทษในความเป็นอยู่ของเราโอกาสจะมนีทุกข์นีโทษเหล่านั้นจะหนีไปได้ยังไงหนีไปไม่ได้คสาครับคขอานะครับอะไรคือความพิปิลาเราโดนตัวกายวาจาิอย่างไรเพืรรพพ่อไม่ให้พิปรครับตัวิลาคือตัวสัญญาเนี่ยตัวมันยึด น, น่ มันเห็นคัดค้านดาวๆก็ยึดเอาเห็นคัดค้านดาวๆแล้วก็ยึดเอามันไม่ใช่หลักสัจจะทำที่แท้จริงไปเหตุที่มันคัดค้านดาวๆแล้วก็ยึดเอามันก็เลยเห็นคลาดเคลื่อนไปจากหลักความเป็นจริงเห็นว่าเราเห็นว่าของของเราเห็นว่าอัตราตัวตนของเราอันนี้ก็คือวิปลาสคือไปเกณฑ์เอาไปบังคับเอาไม่ใช่รู้เห็นด้วยหลักอนนี้จากทุกขังอนัตตา ใช่รู้เห็นด้วยญ า, าณทัศนะด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจเห็นด้วยการค า, าดคาดเดาวๆแล้วก็ยึดเดามันสําคัญตัวหนึ่งตัวสําคัญที่สุดคือตัวยึดเอานี่นเพราะฉะนั้นรู้อะไรขึ้นมาอะไรเป็นขึ้นมาท่านจึงให้รู้รู้เพื่อที่จะไม่ยึดอะไรโผล่ขึ้นมารู้รู้เพื่อที่ไม่ยึดถ้าถ้าเรารู้ไม่ทันปั๊บมันจะยึดยึดปั๊บเนี่ยกวิปลาสขึ้นมาทันทีทาให้เราเข้าใจผิดแม้แต่ระดับปัญญา มันก็เป็นปัญญามันก็วิปลาได้อย่างที่เขาเรียกว่าวิปัสนูวิปัสนูเนี่ยวิปัสนาบวกอุปเกเลตมันเป็นปัญญาจะเป็นปัญญาของกิเลสมันยังเป็นปัญญายังยึดอยู่ท่านยังได้สมาธิขยึดสมาธิได้ปัญญาขยึดปัญญาตามหลักธรรมเบื้องสูงนะท่านผู้ว่าได้สมาธิเราก็รู้ทันสมาธิไม่ได้ยึดสมาธิถ้ายึดสมาธิก็ติดสมาธิหลวงปู่มานท่านว่าถ้ายึดสมาธิมันก็ติดสมาธิ สมาธินั้นก็ยังเป็นสมุทัยอยู่เกิดปัญญาแลยยึดปัญญาปัญญานั้นก็ยังเป็นสมุทัยอยู่ต้องรู้สมาธิจิตเป็นสมาธิก็ต้องรู้สมาธิตัวรู้ที่ตามรู้นี่สำคัญที่สุดตัวสามัญญาเท่านี้เกิดปัญญาก็ต้องรู้ปัญญาถ้าเราไม่รู้ปัญญามายึดปัญญายึดอะไรมันก็เป็นวิปัสสนูยึดอะไรมันก็เป็นวิปัสสนูวิปัสนาวิปัสสนูอันนี้แหละ คือความสําคัญมั่นหมายผิดเป็นไล่ต้อนลองดูบางคนหลงยึดมั่นถือมั่นคือความสําคัญมั่นหมายไปจะคลองได้จะคลองมีเจ้าของถึงนะเป็นอย่างนั้นอ่ะบางคนเป็นตุเป็นตะขึ้นมาได้เลยเลยพูดอวดอ้างเต็มไปหมดแหละถึงการถึงคราวที่มันลืมตัวขึ้นถึงถึงการถึงคราวที่มันตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมากว่าจะรู้ว่าจะคลองเข้าใจผิดมันถึงออกไม่ง่ายเลยถึงออกยากมาก ยุคปัจจุบันที่ครูบาอาจารย์ท่านล่วงไปแล้วก็มีอันนี้ถ้าเราทำไม่ระวังอยู่ห่างครูบาอาจารย์ก็เป็นง่ายการเข้าใจคลาดเคลื่อนบางทีไปเห็นข้อแท้จริงอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็เชื่อแล้วก็ปักใจเชื่อเชื่อ อ, อายึดเอาเหมือนอย่างที่เราพูดวันก่อนว่าไม่จฉีแก้วท่านได้นิมิตแล้วก็ตามนิมิตไปบนสวรรค์บ้างไปนรกบ้างไปอะไรบ้างเน่ยเวลานั่งภาวนาครับจิตเมื่อเคยไปมันก็ไปอยู่อย่างนั้นแหละ ลุงตาท่านสอนให้พยายามดึงมาพิจารณาให้เบื่อหน่ายคลายจากในกายในใจของตัวเองเนี่ยไม่ยอมมาพิจารณาดีไม่ดีจะเถียงกับลุงตาซะอีกนี่คื อ, อไม่ได้เดินตามทางคือไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ทางข้อที่แท้จริงไปอย่างั้นก็เลยจิตอย่างนั้ น, น, นคนที่จะมาเบนเบียงให้ไปในทางที่ดีที่งามพ่ถูมันไม่ง่ายมันยากเพราะฉะนั้นลุงตาไอ้ลุงปู่ ม, ม่นท่านไปสอนไม่ชี่แก้วตั้งแต่สมัยเป็นสาวสาวเหมือนะ เป็นศึกษาท่านภาวนาเป็นตั้งแต่ตอนลหลวงปู่มั่นท่านผ่านไปเนี่ยท่านเห็นว่าโอ้ภาวนาแบบนี้อยู่ไกลครูอาจารย์เนี่ยอันตรายว่าอันตรายจิตมันมันไปแบบไม่มีคนดูแลควบคุมิเนมันอันตรายเวลาท่านเวลาท่านไม่อยู่ท่านท่านไปที่อื่นท่านเดินทุด่งไปต่อไปที่อื่นอ่ะท่านบอกให้หยุดภาวนาบ่อยไม่คีดแค่หยุดภาวนาเพราะมันไม่มีครูไม่มีอาจารย์ที่จะคอยบอกโคราจะเสียงั้นเถะ อยู่มาจนถึงยุคหลงตานี่พอหลงตาปี9 9 2าปี91้าหนึ่งาสองลงตาท่านปัจจมาศรีคำเชีรีหรืออะไรเนี่ย<ม>ไปทรามานไม่ฉีแก้วได้ปีนั้นแหละคือไม่สีแก้วมันไม่มีที่พึ่งแล้วใจมันเป็นไปอยู่แต่มัน ม, มีคนหันเหนให้หลงตาท่านที่แรกก็ไปเถียงท่านะต่อมาก็ตั้งใจฝักหลักแล้วเจริญตามท่านก็เห็นผล ก็ไม่นานก็ว่าผ่านไปได้ที่แรกก็สู้ท่านนั่นแะนี่มันไม่ง่ายแต่จิตแบบนั้นคือจิตที่ออกรู้ออกเห็นเห็นอะไรลงหน้าเห็นเหตุการณ์ลงหน้าเห็นนูนเห็นนี่เห็นอะไรอะไรสารพัดเห็นผิดเห็นอะไรเห็นเป็นตูกเป็นตาไปหมดก็ดูซิแม้แต่วิญญาณของสัตว์ม่นยังเห็นที่ว่าสัตว์ก็ถูกสัตว์ถูกยิงสัตว์ถูกยิงเนี่ยเขาจะหมูเขาจะเอาเนื้อหมูไปถวาย นะแล้วก็วิญาของสัตว์นะ่ไปช่วยไปช่วยบอกให้รับด้วยแล้วก็บริโภคให้ด้วยให้ฉันให้ด้วยและอุทิศส่วนบุญให้ด้วยเันนะวั น, นเขาถูกยิงตอนนั้นตนั้นจะได้ไปปุดไปเกิดใน ท, ในที่ในที่ดีที่ดีเสียทีเนี่ยพอวันต่อมาก็เห็นเหตุการณ์มันเป็นยังงั้นจริงๆนี่ไม่ขิดแก้วท่านทูตท่านเห็น ขอเชิญทางโคการเป็นเชิญทธาครับบรับนะครับสเปสปะสเปเรไป ยินว่าทางหาดใหญ่มากันเยอะนะเอ อ, เ อ, อใช่ลูงมาเราเคยเห็นไปหาดใออหญ่เช้ามีที่ยอมเขาบอกเราถึงรู้เราถึงจําได้พระติละมาเขาหลบตรงนี้เราไม่มีเวลาได้คุยกันได้สนทนากันเป็นระเบียบของที่นี่ตัดความยุ่งกันไม่งั้นยุ่งละก็ยุ่งยอมยมก็ยุ่งพระระเบียบตรงนี้ทำอย่างนี้สดวกสบาย ยมก็ไม่ยุ่งไม่งั้นเดี๋ยวมีสองพระป่าท่าเดี๋ยวมีสองกะทินท่ายุ่งให้มีอ่ะอืระเบียบตรงนี้ไม่ให้มีถ้ามีให้เรายุ่งกันแล้วมันนั่นนะมันยุ่งกันเรามาตั้งใจทําอบรมเอาด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆไม่มีอะไรเคลือบแฝงอยากหลวงพ่อมาหลวงพ่อก็มาด้วยเสียสละจริงๆแต่มา พูดมาคุยอะไรอะไรให้ฟังแล้วรู้สึกว่าทุกคนตั้ง อ, อกตั้งใจรู้สึกว่าได้บุญรู้สึกว่าได้บุญรู้สึกว่าได้ประโยชน์อมืมันไม่มีมันไม่มีอะไรอย่างอื่นเราทำเพื่อเพื่อประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ท่านอย่างแท้จริงไม่มีอะไรอย่างอื่นวันที่เขามาก็ไม่ง่ายนะมายากก็ดูมาตั้งแต่เชา้าเมื่อวานสิบเอ็ดโมงก็ได้ฉันนะเอ สิบเ็มงใน้ฉันขึนเครื่องก็ยากลงเครื่องมาก็ยากเดินทางมาก็ยากแตก่ด้วยความเสียสละเราก็มาสามารถทำได้มาได้ทำได้ทำไมอยู่อย่างนี้เป็นหลายหลายสิบปีเอา้เอามีอะไรต่อ ปีเมคมิตบังเอวังหอดเอวังหตยโยปุเบปะมัจจิตวะปชาโนปะมัจติโสมังโลกังปพาเสติอภามตวจันทิมายัตสัปปังกตังกรรมังกุสเลนะภะยติโสมังโลกังปพาเสติอภามตัววจันิมาอภิวาดนาสีริสันิจังพุทธาปจายโนจตารโธมวันทิอายุวันโนสุข <with> ังภาลัง <organization> <h ums rattling |notimestamps|> <h ums> เราต้องการดอก กับศินแปดไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นในเมื่อเราออกจากสิลที่ละเอียดก็จะต้องมาอยู่ที่ศินของพุทธบริษัทผสินห้าเบญจศินศินห้านี่เป็นสินสรับพุทธบริษัทของเรามีประจําตัวทุกคนถ้าจะว่าไปแล้วไม่จะเป็นจะต้องสมาทานทุกคนทราบข้อปฏิบัติแล้วถือเอาตามเอาตามนั้นให้สมฐานะกับอุบาศกอบาสิกาพุทธบริษัท ของพระพุทธเจ้าลลกโ <c oughs> ลกลลกสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเ <c oughs> มื่อเราออกจากสิน 8, ้นแปดเราจะต้องมาอยู่สิ้นห้าเพราะสิ้นห้ามันรองรับเป็นพื้นอย่างน้อยๆถือได้ตามนี้ตลอดไปไม่เพิ่มเวรเพิ่มภัยเพิ่มบาปเพิ่มกรรมให้กับตัวเองถ้าเราถือไม่ได้เวรภัยมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, ม, นมาสะสมขึ้นสะสมขึ้นเวรภัยบาปกรรมมันตามมา ทั้งเป็นภัยบาปกรรมทับถมทั้งไม่มีเวรไม่มีภัยบาปกรรมทับถมผลในใจมันจะไม่เหมือนกันอันหนึ่งทุกอันหนึ่งทุกเบาบางอันหนึ่งทุกเพิ่มเติมอยู่เรื่อยมัรู้จกักจบเพื่อให้เราระบายระวังให้ได้ตั้งใจเอาเป็นอนุสวให้ชีวิตของเราตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไปบางคนถือได้นะถือศีลห้างดมาตั้งแต่เท่า น, นั้นปีเท่า น, นี้ปีเท่า น, นั้นปีไม่เคยที่ จงต่ลงละเมดไม่แต่ข้อใดข้อหนึ่งหรืออยู่แค่ศี่ห้าบางคนทําได้ใครจะเป็นคนเป็นคนเด็ดขาดจริงจังถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นเป็นผู้ที่มีบุญเป็นอัจฉริยะบุคคลเลยแหละทำได้ถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้ไม่ต้องมีใครบอกมันบอกเองนี่แหละระดับอัจฉริยะบุคคลทําได้ นโมตัส萨ภควะโตระหโตสัมมาสัมบูตัส萨นโมตัส萨ภควะโตระหัโตสัมมาสัมบูตัสนโมตัส萨ภควะโตระหสโตสัมมาสัมบูตัส萨 ังสระนงคชามีธรมสคชามสังสรองคชามีสังฆสระนงคามดุติยัังสรนองคชามีดุติยัมปสรองคชามี ตตยมปีสังฆังสารนองคชามีตตยมปีพุษธังสารนองคชามีตตยมปีธรรมังสารนองคชามีตตยมปีสังฆังสารนองคชามี a ะเนกมณังนิถิตัง ป, ปานาติปตาเวรมีสิกขาปังสมมา d i a m i อะ n ินนาดานาเวรมนีสิกขาปังส m มา diyami จามสุมิชาจาราเวรมนีสิกขาปังสัมาทิยามิโมชาาราเวรมนีสิกขาปังสมมาทิยามิ สุราเมรย a ภิยะปมาดาธาาเวรมนีสิกขาปังสัมาทิยามีสุราเมรยาภิยะปมาดาธาณาเวรมนีสิกขาปังสมาิยีมานีปัญจสิกขาปานิสเลนะสุกติยันตสเลนภะสัมปสเลนะนิติยันตี อัสีลังวิโสทเยมายทผู้ปฏิบัตินำมานะครับทางวิจาราได้กขอผู้ที่เยนนะครับได้จตมครับอเนวแทนที่วนะครับที่ดี เดี๋ยวเรา ระยะเวลาที่เรามาอบรมสามวันวันแรกก็ดูมันจะสองรอบนะพวกเราว่าตอนเช้าก็มีรอบหนึ่งวันเมื่อวานก็สามรอบเช้ากลางวันบ่ายค่ำอ้สี่รอบแล้วก็วันนี้ก็ เมื่อเช้าว่ารอบหนึ่งแล้วก็ตอนนี้อีกรอบหนึ่งรวมเป็นสองวันสามวันสองคืนแต่ก็ครึ่งวันหนึ่วันนี้ครึ่งวันครึ่งวันเพราเราจะต้องริบไปขึ้นเครื่องด้วยบ่ายสองก็ออกจากนี้ไปแต่ก็ตอนบ่ายก็จะมีะหมเพื่อนมา เห็นว่ามาทางนี้ใกลกับเราเขาก็นัดกันมาคารวะเป็นธรรมเนียมในพัรษาครูบาอจารย์เราจะทำความคารวะกันและกันอยู่ตรงนั้นอยู่อยูอ่แถบนั้นอยู่แถวนี้ไปขอคออารวะครูบาอจารย์ตรงนั้นตรงนี้เป็นธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามวันนี้ตอนบ่ายก็ต้องมีด้วยก็เลยเป็นกานว่าต้องเราก็ต้งเลยต้องจบต้องจบตั้งแต่ตอนนี้ สิบเอ็ดนาฬิกาครึ่งสิ 10, 10ครึ่งเนี่ยแล้วก็ปิดตั้งแต่ตอนนี้ไปแล้วก็พระนักจะมาถึงตนไหนก็ไม่รู้แหละแล้วก็ท่าที่พวกเรามาอบรมด้วยความตั้งอกตั้งใจแต่ว่าการที่เราจะมาทํา ง, งานทุกอย่างมันต้องอดมันต้องทนต้องฝืน้นทั้งนั้นแหละมีสะดกสะดวกสบายตามใจเราเหมือนที่บ้านเรามันไม่ใช่หรอกที่บ้านเราทําอะไรก็ได้สะดวกสบายทุกอย่าง มาที่นี่เรามีระเบียบมีนุ้มมีนี้แล้วเรามาอยู่กันเป็นหมู่มากแต่เราไม่มีระเบียบก็ลําบากแต่ระเบียบทั้งหมดนี้เพื่อให้พวกเราอยู่ด้วยกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เป็นผาสุขไม่กระทบกระเทือนซึ่งกันและกันเข้าออัดข้อทามที่พวกเราได้ยินได้ฟังกิจกรรมทุกอย่างทุกเรื่องทำบัดรสวดมนต์นั่งภาวนาเดินจงกรม ฟังอบอรมทั้งวี่ทั้งวันนั่งปวดหลังคดหลังงอมันเป็นผลงานมันเป็นเหตุการณ์ที่เราเสียสละตั้ง อ, อกทั้งใจมาสิ่งเหล่านี้มีผลมีอนันให้ส่งทุกอย่างทุกเรื่องอมันเป็นความทุกยุบแต่เป็นความทุกขเพื่อความสุขมีความสุขเป็นวิบากมันไม่ใช่มีความทุกขแล้วก็มีความทุกเป็นวิบากไม่ใช่บางครั้งเรอยู่บ้านเรอยู่สุขสบายไม่ต้องทุกข์ยากลําบากกับเรื่องนู้นกับเรื่องนี้กับอะไรต่ออะไรเลย แต่บางอย่างบางเรื่องมันมีทุกเป็นวิบากมีพวกมีทุกตามมาเล่นงานเราแต่เราม่อย่างนี้เราได้รับความทุกข์ความยากความบากแต่มานถูกพัฒนาตามหลักของศีลตามหลักของสมาธิตามหลักของปัญญาถือว่าเป็นการอบรมถึงก้นบึ้งหัวใจของเราอย่างแท้จริงเป็นบางที่ทุกคนจะได้มาตระหนี่เป็นอนุสรณ์ชีวิตไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยธรรมดาแต่บางท่านก็ไม่ใช่จะเพิ่งมาเข้าตรงนี้ จะผ่านที่อื่นมาม่วเป็น10บ ส, บสบแห่งบางคนก็ผ่านโกเอนกาบางคนก็ผ่านที่นู่นที่นี่ยุพุตุเอวยวัดเมหียงเอวย์ทางฝั่ใต้ครับนู่นที่ท่านพุทธทาสเอวย์วัดสวนหมกเอยอะไรต่ออะไรเอวย์เราเคยผ่านมาก็ถือว่าพวกเราเป็นนักสอบแสวงหาคุณงามความดีให้กับหัวใจของเราผลทั้งหมดนี้เป็นการดิ้นรนเพื่อหาคุณงามความดีก็สู่หัวใจของเรา ไม่ได้คราวนี้ก็เหมือนกันไม่ได้มากก็ต้องได้น้อยที่จะเสียเสียหายอะไรกลับไปไม่มีดอกขอให้เราอยู่ในกฎในเกณมและต้องใจทําตามนี้จะไม่มีอะไรเสียหายเรื่องเวลามันก็เลื่อนไปตามเรื่องของมันเวลาเรยะว่าเสียเรายกวาไม่เสียมัน เ, เลื่อนไปตามเรื่องของมันมันสัมพันเราทําให้เรา เ, เสียโอกาสหรือจะทําให้เราได้โอกาสอันนี้เป็นเรื่องของเราเป็นคุณสมบัติที่เราเพิ่มูนให้หในหัวใจของเรา เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้เข้าใจได้ความสงบมากก็ตามน้อยก็ตามได้รับความรู้ความเข้าใจาเกี่ยวกับปัญหาชีวิตบ้างาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องภาวนาบ้างในความเป็นอยู่บ้างอุบายวิธีนั้นบ้างนี้บ้างอันไหนที่จะเกิดประโยชน์สําหรับเราที่เรามาประสบพบเห็นขอให้เราถือไปเป็นเครื่องประพฤติเป็นเครื่องปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของเราในโอกาสต่ตอๆไป อันไหนที่มันเกิดประโยชน์เราก็ทิ้งไปอันไหนที่เกิดประโยชน์เราก็เอาไปใช้สอยให้เกิดประโยชน์เพื่อประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ถ้ำและตรงนี้เป็นศูนย์อบรมศูนย์นอบรมตรงนี้เป็นของวัดป่าบนันตาเพราะคุณหมอท่านถวายลงตามหาบุญยสัมโนถวายทั้งหมดเลยทั้งที่ดงที่ดินโอนเว็ดเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่หลวงตาท่านยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้หลวงตาท่านก็ล่วง Poland ไปแล้วตั้งกี่ปีมาแล้วเนี่ยหลวงตาล่วงไปแล้วกี่ปี นกตาลงไปแล้ว9้าปีเราก็ยังดำเนินการอยูด่ดำเนินการโดยมูลที่ดวงแก้วคุณหมอเนี่แหละกับกลุ่มบริกรทีมงานที่ช่วยเหลือกันอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเราได้เข้ามาฝึกฝนได้มาอบรมบางคนก็มาชาติตรงนี้ติดแล้วก็มีโอกาสได้ออกไปนู้นออกไปนี่ออกไปนี่ออกไปนั้นมันเป็นการเสาะหาเงาความดีเข้าสู่หัวใจ มันเป็นการเปิดโอกาสให้เราสะแสวงหาประโยชน์เข้าสูงวุฒใจของเราของท่านบางคนไม่มีประสบการณ์ไม่เคยมีโอกาสตรงนี้เปิดโอกาสถ้าใครรู้เห็นเข้าใจในช่วงไหนที่มีการเปิดอบรมเปิดอะไรพวกเราก็มาได้แต่ได้แค่นี้หนีเยอะที่สุดแล้วเนี่ยเยอะที่สุดแล้วแค่นี้ก็เต็มแล้วเนี่ยถ้าหากเยอะกว่านี้ก็แน่นเลยยุคนี้โควิดขณะนี้พอดีงามเหมาะเลย น, นี่เมื่อเช้าเราก็เมื่อวานเราก็นับไปแล้วห้าสบกว่านะสายบาท วันนี้ก็ห้าสิบกวานะ่เท่าที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ น, ใ น, น้อยๆนะแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอเพราะคนเราทุกคนหัวใจหนึ่งดวงมีคุณค่าหนะลวงพ่อไปพูดธรรมะที่ไหนเนี่ยคนมากคนน้อยไม่สำคัญว่ า, ห, ว ห, วาหัวใจหนึ่งดวงมีคุณค่าหัวใจหนึ่งดวงมีคุณค่าเราพูดเป็นการช่วยเหลือกันส่เคราะห์กันเพื่อประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ท่านนะ ไม่ใช่ว่าจะเป็นจะต้องมีมากมายหาศาลเหมาะสมสมภาคสมภูมิถึงได้ไปหัวใจหนึ่งดวงมีคุณค่าเรามาคิดดูพระพุทธเจ้าเนี่ยใครที่เข้าตาไขา่พระยานของพระองค์เนี่ยอยู่ไกลแค่คนเดียวสองค น, นไปแล้วเสด็จพิโตรแล้วพระพุธเจ้าไม่เห็นแค่ความเหน็่เหนื่อยทำภา ร, รกิจทำพุรกิจหนักมากพิกุธจาของเรา พวกเรานั่งจิบจ้อยอะไรสะดวกสบายหมดทุกอย่างไปไหนก็ไปด้วยยานสาม ล, อลอ้อสี่ล้อไม่ใช่ไปด้วยเท้าเปล่ามืออย่างพระพุทธเจ้าไปไหนก็เดินไปไหนก็เดินสมัยนั้นะไม่ได้มีรถมีราอะไรหละ ย, ยุคสมัยมีรถมีรามีอะไรอำนวยความสะดวกหมดอย่างทุกวันนี้มือต้องมือถือรุ่นนั้นรุ่นนี้เท่านั้นท่านี้ดิบดีวิเศษวิสโสยนโลกมาอยู่ในฝา่ามือหมดทุกอย่างทุกเรื่องพระพุทธเจ้าไม่มาบัต มเมาบัตรแบบนี้แนละ้วสอนยากสอนไม่ได้ผู้บัตรในยุคคนยุคนั้นสมัยนั้นนะบอกง่ายสอนง่ายดีเพระยัพระองค์จะต้องกําหนดกําหนดตระกูลกําหนดเทวีบกําหนดระยะเวลาอายุของคนนะถึงจะมาลงมาเมาบัตรก็จะจะได้ตัสรู้บอกสอนคนดูสิเลงเป้าไว้หมดนะคุย้าไม่ใช่เรื่องธรรมดานะไม่งั้นเนระาทำงานไม่ได้ผลทํา ง, งานไม่ได้ผลเม่อยังบนสวรรค์นเนี่ย ทั้งคนทั้งอยู่เย็นเป็นสุขตามกรรมของตนของตนใครๆก็อยู่วิมานอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องมีใครไปโปรโดใครไม่ต้องมีใครไปบอกสอนใครแต่กลายเป็นว่าโลกมนุษย์นี่ทั้งคนทั้งมีอมแปรอกองทุกข์เต็มไปหมดเราจะมาบัตรเราจะได้มาบอกมาสอนชี้ทางออกเพื่อผลทุกคําสอนทุกบททุกบาทของเราชี้เพื่อให้เราเดินไปเพื่อความพ้นทุกพ้นทุกเพราะทุกเนีย่ยมันเหลืออหล้ออ่อนลดทน เราดูเถอะเวลามาประสบพบเห็นไหมว่าหัวใจของเราของท่านมันจะเหมือนกันไปหมดเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เพิ่มภูนคุณงามความดีเข้าสู่หัวใจของเราขอให้เราถือสิ่งเหล่านั้นถือตามพระคุธรามปฏิบัติตามจากนี้ไปจนตายหลวงพ่ออนมรนากับทุกท่านทุกคนนะขออน <c oughs> ยาถาวาริวาหาปูราปริปูเรนติสากรังเอวะเมวิโตทินนางเปตานังอุปกัปรปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสมิชชตุสะเพปูเรนตุสังกปาจันโท วันระโสยธทามิโชทิระโสยัทายสภิฏิโยวิวัจจันโุสัมปารโควินาสตุมาเตมทวันตรายโยสุเขธิคา สานิจังโธทาปจายน้อยจารธรรมาวาติอายุวันโอสุขังอาลังรัตนตยานุภาเวนารัตนตยเตยสา โดคโรคาภยาวะราโสกาสัตุจุปะดาวาอันกันตารยาปีวินาสันตุอาสะโสตกายสิทธิธนังลาภังสดที่ภาคยังสุขังบลังเทรียาอยู่เจวันโนยาพอขงวุติจยาสวะ สาตาวสาจายุจาชีวัสิทธิ์วันตเตภาวะตุสราปังกาลังอาราคันตุสัพเดวตาสามะธรรมานุภเวนัยสาดาโสที่พวันตเตภาว ราคันทุสัพปเดวตาสัมบาสังคานุภาเวนัสดาสทีอาวันตุเตม มีอะไรเจอกันนะไหนอยู่ไหนเออเออเออได้ได้ได้ดเออดีีเดี๋ยวานะครับตอาค้งนะครับช่วยแักอานะครับแยกของอเียเวลา ก็าบเก็บปาืออปาที่ได้เคือรื่องนะโดยเวลาซื้อของจะดือมหมให้ปากเป็นตัวนะแล้วแต่ว่าผู้บอกใครสอนะครับตั้งใจแบบว่าไเป็นนะขราวบอที่เราจไปนะข้าวบอเพราะเราไปเดินทางกลับโชคดีสวัสดีปลอดภัยนะขอบพี่อบุญไปเด้อยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไปไปอันนี้ก็ไม่ถูกใจอันนี้ไม่ถูกใจนะ ทำไมนั่นต้องทำอย่างนั้นนี่ต้องทำอย่างนี้อย่า yeah. <laughs> รักษาบุญเอาไว้นะ <laughs>